ท่านฟังที่เคารพคะ่ะนี่คือรายการสันสนาสนทนานะคะเราพบกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกับพระอาจารย์พบูลอภิปุนโนนาเอาพุทธวจนะที่พระศาสดาตรัสไว้ประกอบกับการตอบคําถามที่เราตั้งขึ้นมาเป็นการให้ความรู้ว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างไรนะคะจะไดะ้เป็นสิ่งที่เรามั่นใจว่าอ๋อนี่เป็นธรรมจริงๆนะนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ โดยมีพระภัยบุญและพิบุญ โ, โนนะคะวัปะดปารอนไฮโซ ค, ค่ะจะเป็นผู้เปิดธรรมนั้นนำ้ำมาสการกัลท่านคะนิรันดร์ค่ ะ, ค ะ, คะวันนี้เขาเพิ่งกลับมาทํางานกันคะ่ะเช้าตรุกเนี้ยกําลังสดชื่นกระปรี้กระเปร่ามากเพราะว่าหยุบยาวสามวันนะะดีมากเลยคือการที่ตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็รับธรรมะนะคือพระเจ้า ว, ว่าการฟังทำตามการเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งแตนะถ้าเราตื่นเช้ามาปฏิบัติด้วยแล้วก็ฟังทำไปด้วยเนี่ย เป็นมงคลมากๆมงคลยิ่งกว่าพวกวัตถุมงคลที่เราใสา่อยู่อีกคุนค่ะพูดถึงตื่นเช้ามาแล้วปฏิบัติธรรมแต่เช้าเนี่ยจริงๆเนี่ยระยะหลังก็ไม่ค่อยได้ตื่นมาปฏิบัติแต่เช้าแต่เมื่อไม่เท่าไหร่เนี่ยนะคะทั้งๆที่นอนดึกนอนตีหนึ่งก็ตื่นมาตอนเหลืออีกไม่กี่นาทียาตีสี่ตื่นแล้วนอนไม่หลับที่นอนไม่หลับนี่มันคิดเรื่องอื่นนะนะคะอืมแล้วก็กระสับกระส่ายคือลุกๆนั่งๆั่ง ประมาณชั่วโมงหนึ่งพอหลังจากนั้นเอ๊ะเรานั่งสมาธิดีกว่าอืมพนั่งสมาธิเราก็ได้ความเป็นสมาธิที่ดีทีเดียวนะคะอกล่าวเรียนท่านอย่างนี้แล้วก็กว่าที่จะมาเหนื่อยล้าอีกทีนึงก็ต่อเมื่อค่ำมากใช่แต่ทีฉันอยากกล่าบเรียนท่านว่าทําไมเรานอนน้อยมากแต่เราสามารถที่จะนั่งสมาธิได้ดีมากกว่าวันอื่นที่ทําเวลาอื่นอะค่ะคือในเรื่องของเวลาเช้าเนี่ยคือในการ ถ้าเป็นศัพสมัยนู้นก็จะเรียกว่ายามสุดท้ายแห่งราตรีใ <Absolutely. S 1> นะยามสุดท้ายแห่งราตรีคือตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะได้อรุณเนี่ยนะก่ <Okay. S 1> อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยจะเป็นช่วงยามสุดท้ายแห่งราตรีคือช่วงเวลาตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยบอกว่าใครก็ตามนะที่คือพระองค์เนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินในะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านในอาเภอหัวหน้าหมู่บ้านพระเจ้าจักรพรรดิราชาอาํามรดหรือใครก็ตามเนี่ยที่ตื่นสาย หลังจากพระอาทิตย์ขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วยังจะบริหารบ้านเมืองปกครองหมู่คณะตัวเองบริหารกิจการบริษัทให้รุ่งเรืองได้เนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยคได้ยินในทางตรงกันข้ามพระพุทธเจ้ า, าก็บอกว่าคนที่เป็นหัวหน้าพวกนี้นะถ้าตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะแล้วตื่นคือหมายถึงตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเป็นประจำนะบางวันอาจจะนอนตื่นสายได้ไม่เป็นไรแต่แล้วแล้วยังสามารถบริหารงานของตัวเองเนี่ยให้รุ่งเรืองไปได้เนี่ยเคยเห็นเคยได้ยินอยู่เคยมีอยู่ ซึ่งถ้าเป็นตัวเราเองเนี่ยถ้าเราตื่นเช้านะเรามีโอกาสเข้าใจไหมที่ว่าจะทํากิจการของเราให้รุ่งเรืองจเจริญขึ้นได้อันนี้เปรียบเทียบกับทางคารวะในขณะเดียวกันพระชาติเปรียบเทียบกับพระสงฆ์นะว่าใครก็ตามที่ตื่นมาปฏิบัติตอนยามสุดท้ายของราตรีนะคุณมีสิทธิที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะนขณะที่ ข, ขณะที่กําลังฟังวิทยุกันอยู่นี้ถือว่าเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายที่ตื่นมาเนี่ย ถือว่าเข้าคุณสมบัติที่ดีเลยสิคะโ อ, โอ้โหแหมแต่มาพระรุจายกย่องยังไงเีคุณมีสิทธิ์เป็นผ้าทหารได้นะอผู้ที่ฟังรายการอยู่ตี5้าเนี่ยคนที่เพิ่งตื่นวันนี้วันแรกได้ใจแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นต่ออทําให้เป็นประจําทําให้เป็นประจําพระรุจ่าบอกไว้เองคือพูดตรัสไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ตรัสอย่างอื่นว่าเอ๊ะในยามสุดท้ายของราตรีเนี่ยมีประโยชน์อะไรไหมนะซึ่งตรงนี้คุณยมติ๋วเห็นได้ด้วยตัวเองนะเอ๊ะทำไมเรานั่งสมาธิได้ดีตอนช่วงเช้าๆ ท่านนี้ก็พุทธ ว, ทธวจนะพูดไปแค่นีนะ้อาจจะมีเหตุผลอื่นอะไรแะไรมันก็ไม่ทราบละ่ะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้หลักท่านเป็นบุญคะเล่าเกี่ยวกันไหมคะกับการที่ก่อนหน้าที่จะมาถึงยามแรกแห่งราตรีนี้นะค ะ, ะมีการปฏิบัติสมาธิเหมือนกันใช่ในยามสุดยามแรกแห่งราตรี ก, ก่อนนอนประมาณประมาณแต่ไม่ใช่ก่อนนอนนะคะท่านประมาณสักทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะ ม, มันมีความสมพันธ์เกี่ยวเนื่องมาถึงการปฏิบัติครั้งต่อไปตอนตีสี่ีห้เลยมัไหมคะเอ่อก็พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไปตรงนั้นแค่บอกว่าธรรมะที่ไม่มีทางผิดเลยมีอันหนึ่งะนะคือข้อปฏิบัติที่ไม่มีทางผิดก็คือว่านอนยามกลางแห่งราตรนะีปฏิบัติจนถึงยามสุดท้ายยามแรกแห่งราตรนะีปฏิบัติจนกระทั่งทั้งวันทั้งคืนนะหมายถึงว่าถึงยามสุดท้ายถึงยามแรกแห่งราตรี แล้วก็ยามกลางให้นอนอันนี้ก็จะเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่มีทางผิดที่เมื่อปฏิบัติแล้วไม่อาจจะเสื่อมเสียยามกลางของพระพุทธเจ้าในสักประมาณกี่โมงนะคะก็ถ้าจะให้ลงเวลาก็อาจสมมติเราอาจจะแบ่งเป็น3ยามใช่ไหมคือใน12ชั่วโมงกลางคืนเนี่ยเราแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันเพราะฉะนั้นยามกลางมันก็จะตั้งแต่4ี่ทุ่มถึงตีสองช่วงนี้<ม>แต่นี้แต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันอะ คือ <cca. S 2> บางคนอาจจะมีกิจการงานมากในช่วงหัวค่ํายามกลางอาจจะไปถึงเที่ยงคืนนู่น <cca. S 2> นะแต่เริ่มเที่ยงคืนไปหมดตอนตีสี่ตีห้าแล้วยามสุดท้ายก็มาเป็นช่วงตั้งแต่ตีสี่ถึงหกโมโเงเช้าอะไรอย่างนี้ก็อันนี้แล้วแต่คนแต่ละท่านก็คือพรึชาไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ว่ากี่โมงกี่มโมงกันแน่แต่ถ้าเราจะแบ่งเป็นสามส่วนมีมีคนคนหนึ่งเขาเคยมาคุยกับอาจารยมาคุณยมติวเขาแบ่งอย่างนี้เขาแบ่งว่าตั้งแต่อ่า หกโมงครึ่งนะเป็นยามยามเข้าสู่ยามแรกของราตรีลนะมาถึงสิบแปดนาฬิกาสินาทีสิบปดนาิกาสินาีเนี่ยคือสิบแปดน า, า, น า, าิกาเริ่มยามแรกของราตรีใช่ไหมจนถึงสิบแปดนาฬิกาสมสิบนาทีเนี่ยหมดยามแรกของราตรีเข้าสู่ยามกลางเพราะฉะนั้นยามกลางของเขาเนี่ยคือก่อนหนึ่งทุ่มแล้วยามสุดท้ายของเขาเนี่ยคือก่อนหลังตีห้านิดหนึ่งก็หมายความว่ายามกลางของเขาเนี่ยยาวมาก คือจะเอาเวลาไปนอนมากนะเป็นเข้ออ้างของคนขี้เกียจในนักษณะแล้วมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปมากลับเรียนท่านไหมคะยังยังยังยังไม่ได้มาคุยกันเหมือนกันค่ะอาจจะเป็นพวกเน้นน้อยเจ้าปัญญาหรือว่าเป็นกับอีกอย่างก็ขอประทานโทษนะคะ ถ้าสมัยเด็กๆท่า น, นจาได้ว่าอ่านหนังสือเนี่ยจะต้องมีสีธ น, นช<า><ค>นัยนะคะสีธนชนัยน่ารักด้วยวิธีคิดของเขาเหมือนกับเอาเปรียบนิดๆแล้วก็มีอารมณ์ขันหน่อยๆ อ, อะไรเงี้ยนะคะกลุ้นๆใช่ค่ะแต่ว่าท่านก็ลองไปประยุกต์ดีไหมคะว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าฟังจากท่านพิพูณ์ก็เหมือนกับว่าไปพิจารณาดูเอาเองก็แล้วกันว่าถ้ามันมีสามยามใช่ไหมคะใช่ใชยามต้นยามกลางยามปลายท่านจะ จัดเวลาอย่างไรอืต้องเท่ากันใช่ไหมว่าความน่าจะเป็นคือช่วงเวลานี่อาจจะไม่ต้องเท่ากันก็ได้นะแต่ให้มันเหมาะสมคือตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยในยะนี้ก็ตื่นที่ห้ามาฟังรายการธรรมะนี่ก็แล้วกันคดีมารายการสรนสานิสนันนาคือจะมามองว่างี้ว่าคืออย่างน้อยเราได้พักผ่อนมาเต็มที่แล้วทั้งคืนใช่ไหมอย่างน้อยยามหนึ่งยามในช่วงยามหนึ่งของราตรีเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเราต้องสดชื่อแน่ อย่างน้อยมีความกระปี้กระเป๋าสดชื่นถึงแม้มันจะมีความง่วงอยู่จากฮอร์โมนที่มันเคยออกมาในช่วงตอนที่ไม่มีแสงเวลาเราหลับมันจะมีฮอร์โมนชนิดหนึ่งออกมาก็เรียกว่าเมลาโทนินใช่ไหมทีนี้พอเราตื่นขึ้นมาใหม่ๆเอฮอร์โมนนี้มันอาจจะยังไม่หายไปหมดมันยังอาจจะทําให้เราง่วงอยู่อันนี้เป็นความง่วงที่เกิดจากเขาเรียกว่าอาการรีเฟล็กของร่างกายเท่านั้นเองแต่มันจะไม่เหมือนกับง่วงตอนเราเพลียอันนี้มันจะง่วงแบบ เป็นอาการของร่างกายมันจะไม่เหมือนกันนะนะถ้าคนที่ช่างสังเกตจะทราบอยู่ค่ะมันจะไม่เหมือนกันนะคะก็เป็นเกรด เ, เหมือนอย่างเวลาเราหิวข้าวคือท้องว่างแต่ไม่หิวข้าวกับหิวข้าวที่ต้องกินเนี่ยจะไม่เหมือนกันไง <ขอ S 1> คือท้องว่างเพราะหิวข้าวกับท้องว่างเพราะว่าไม่ต้องกินข้าวจะไม่เหมือนกันอ่าลักษณะนี้นะ <C HA. S 2> เรต้องสังเกตจิตเราให้ให้อย่างละเอียดเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นยังไงผู้ที่ปฏิบัติจะทราบดีค่ะนะคะเราก็เริ่มต้นจากการที่เล่าให้ท่านอาจารย์ฟังว่าบางวันมันก็มีปรากฏการแก์แปลกๆแต่ว่าเป็นปรากฏการ์ที่เชื่อว่าคงจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคนคนเดียวแล้วก็บางคนเนี่ยเขาก็ชอบเลยนะคะเขาบอกว่าตีสี่เนี่ยเป็นเวลาที่เขาถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดอืมีน้องคนหนึ่งที่รู้จักเนี่ยเขาบอกเขาทําเป็นเวลานานมากแล้ว ทำทุกวันใลหนึ่งชั่วโมงก่อนจะไปทําอะไรอืมอัตมาก็จะมันจะเป็นอัตโนมัติของเราเองประมาณตีสามคึ่งเกือบตีสามครึ่งเราก็จะลืมตาตื่นขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกใช้อัตโนมัติอืมค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ายามสุดท้ายของท่านเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ตีสามครสาใช่ของอัตมานะเราจะไป ส, สิ้นสุดตอนไหนพระอาจารย์ทวดคะขอทราบได้ไหมคะ หมายถึงว่ายามกลางใช่ไหมยามสุดท้ายเลยค่ะเอยามสุดท้ายก็จะเป็นสิ้นสุดตอนหกโมงเช้าตอนพระอาทิตย์ขึ้นนั่นแหละค่ะอเพราะว่าพอหลังจากนั้นแล้วถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ต้องมีกิจแล้วใช่ไหยคะใช่ก็ต้องไปบินธบาหาเลี้ยงชีพด้วยการพิคขาจารย์ทีนี้มันก็จะมีคําถามที่สอดคล้องกับเรื่องการปฏิบัติของเราวันนี้มาจากคุณเพลินตาพอดีเพราะอันนี้เดือนก็ถือว่าเป็นคําถามที่สําคัญมากเลยนะคะบางคนในปฏิบัติทำมานานๆนะคะ ก็ได้ยินคําว่าเกิดดับเกิดดับไปบ่อยคนนน้นก็เกิดดับคนนี้ก็เกิดดับที่ฉันเพรว่าฉันปฏิบัติมาก่อนเขาอืมไม่เห็นรู้เลยว่าตรงไหนเกิดตรงไหนดับคุณเพลินตาถามว่าวันนี้ได้ฟังพระอาจารย์พูดถึงการที่เราทําสมาธิจนถึงการเห็นการเกิดดับจึงอยากเรียนถามว่าการที่เราเกิดมีความรู้สึกไม่พอใจแล้วเรารู้ว่าอารมณ์ไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วอแล้วเราสามารถดับมันได้อืีอยกเรียกว่า เห็ S <S นการเกิดดับหรือไม่คะโอเคที่เราได้คุยกันในวันนั้นเราพูดถึง3จังหวะถูกไหม ค, คือคนที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรก็จะเห็นแต่การเกิดอันนี้ของฉนันอันนั้นของฉนันนะั้นนี่คือเป็นของฉนันของฉนันของฉนังฉนหมดนี่คือเกิดล ะ, ค, ะนะคือจิตเราไปก้าวลงยึดด้วยวัตถุเป็นของเราแล้วก็ตั้งอยู่ในของฉันตั้งอยู่ตลอดเลยไม่ให้ใคลาทั้งสิน้นนะพ อ, อ ม, มันเสื่อมไปจริงๆเราถึงจะเห็นความดับแต่เราก็จะ เ, เกิดเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป พอเราพัฒนาไปพัฒนาไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นการเกิดเห็นการดับจะเป็นสองจังหวะนะเห็นการเกิดจังหวะหนึ่งเห็นการดับจังหวะหนึ่งแต่จนสุดท้ายเนี่ยเราปฏิบัติไปถึงที่สุดเนี่ยเราจะเห็นเกิดดับจังหวะเดียวนะคือเหมือนกับจิตมันจะไปก้าวลงในอารมณ์นี้โอ้ยไม่เอาสลัดทิ้งคืนเลยก็ดับทันทีเกิดแล้วดับทันทีเหมือนกับถ้าเป็นกราฟเราเขียนเป็นศูนย์กับหนึ่งเนี่ยก็จะมีลักษณะของเ Pa าส์ขึ้นมาแล้วก็ดับไปเลยค่ะทีนี้ในกรณีของคุณเพลินตาเนี่ยคือเห็นเกิด แล้วเห็นดับไม่ใช่เห็นเกิดดับค่ะอเห็นสองจังหวะไม่ใช่เห็นจังหวะเดียวอ่าถ้าเราอธิบายจากสมจังหวะใช่ไหมคือเห็นเกิดเห็นตั้งอยู่เห็นดับไปนี่คืนเกิดจังหวะหนึ่งเห็นตั้งอยู่จังหวะหนึ่งเห็นดับไปจังหวะหนึ่งการพัฒนาต่อมาเราจะเห็นเกิดจังหวะหนึ่งเห็นดับจังหวะหนึ่งเห็นสองจังหวะจนกระทั่งเราเห็นจังหวะเดียวได้เมื่อไหร่เห็นเกิดดับเนี่ยคือจังหวะเดียวนะนั่นแหละแม่สุดยอดเลยอท่านคะ ทีนี้เหมือนกับว่าเนี่ยพอฟังเห็นเกิดดาบเห็นเกิดดับเห็นเกิดดับเนี่ยบางคนก็บอกอะไรมันเกิดหรออะไรมันดับหรอท่านอาจ<ะ><ะ>เกิดดับเนี่ยคือจากอารมณ์ที่จิตเราไปรับรู้สิ่งอื่นๆเอาค okay, ว่าหูเราเนี่ยได้ยินเสียงที่คุณศาสนีพูดนะได้ยินเสียงที่อาตมาพูดนะอันนี้คือเกิดละจิตก้าวลงในเสียงละใช่ไหมแล้วพอเราไปรับรู้ถึงอุ้ยอากาศเย็นจังเลยอ้าวนี่ไปเกิดในอีกอารมณ์หนึ่งละแล้วเสียงหายไปนี่ก็ดับไปละ จิตเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไงครับแล้วอย่างกรณีที่ท่านยกตัวอย่างอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นกี่จังหวะคะที่เสียงเกิดขึ้นแล้วหายไปเลยนะคะสองจังหวะเห็นเกิดเห็นดับถ้าเราเห็นนะแต่ปกติเราจะไม่เห็นเราจะเห็นเกิดแล้วเราก็เพลินไปไหนก็ไม่รู้อ้าวมันดับไปแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีสติเราไม่รู้อืมแต่นั้นก็พูดไม่ได้ว่าเห็นเกิดดับไม่ได้เพราะว่ามันว่างไปแล้วไงคือคุณเพลินไปแล้วคุณไม่มีสติแล้ว ทีนีอ้อย่างกรณีสมมุติว่าเห็นมันเกิดละนแล้วก็ไปกับมันนิดหนึ่งเพราะว่าเวลามันเกิดบางทีมันมีเรื่องราวของมันด้วยอ uh huh. นะครับเช่นอ่าได้ยินเสียงเพลงร้องอุ้ยนึกถึงตอนนั้นสมัยก่อนมีไปนิดนึงอ่ะนึกขึ้นได้นั่งสมาธิอยู่อืมกลับมารู้ลมหายใจอ่ันนี้จะไล่ให้ฟังเลยตอนเราได้ยินเสียงเข้าหูปุ๊บเห็นเกิดใช่ไหมแต่เราไม่เห็นดับเราเพลินไปแล้วแล้วจิตเราก็ไปเกิดอีกในอารมณ์อื่นเห็นแต่เกิดอย่างเดียวนะ คุณยังไม่เห็นดับเลยด้วยซ้ำจกนกระทั่งนึกขึ้นได้โอ้โหตอนละเพลินไปแล้วนะวางวางอารมณ์นั้นซะนี่ถึงเห็นดับค่ะแต่ถ้าเห็นเกิดดับจังหวะเดียวเป็นไงได้ยินเสียงปุ๊บแล้วสลัดคืนทันทีนั่นแหละคือเห็นเกิดดับไม่ต้องพูดถึงอะไรที่จะต่อมาอีกค่ะดิฉันเองเนี่ยก็เคยได้ยินคนจํานวนมากทีเดียวนะคะที่อยู่ ใ, ใกล้ๆตัวเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้มีความสุขมากชีวิตจะไม่เอาอะไรละเห็นเกิดดับตลอด โอ ย, อย่างนี้หมายความว่าอย่างไงครับเพราะว่าถ้าเห็นเกิดดับตลอดคําว่าตลอดเนี่ยเราก็ต้องตีความว่า<ลอ>ไม่ว่าจะทํา อ, อ, อะไรค่ะทีนี้อถ้าสมมุติว่าคํากล่าวนี้ถูกต้องอธิบายอย่างไรคะที่ว่าเห็นเกิดดับตลอดมันคืออย่างไดคะคือมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาคือนั่นเป็นพระอาหารหันแล้วนะถ้าคุณเห็นเกิดดับอยู่ตลอดมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเนี่ยคือเป็นพระอาหารหันแล้วนะค่ะอะเราก็จะต้องดูว่า ที่พระพุทธเจ้าพูดถึงอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศใช่ไหมเมื่อจิตก้าวไปในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็แล้วแต่นะสามารถกลับมาอยู่ที่อุเบกขาสลัดวางอารมณ์นั้นได้เร็วเท่ากับปุคลกระพริบตาเร็วเท่ากับน้ําหยดน้ําหยดหนึ่งไหลหยดลงบนกระทะที่ร้อนแดงแล้วหายไปเป็นไอนะเร็วขนาดนั้นถ้าเราทําได้ขนาดนั้นนี่คุณมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศคือเหมือนแม่ดีมากเลยเป็นพาาระฐานแน่นอนลักษณะนั้น ถ้าเป็นจริงนะค่ะถ้าเป็นจริงค่ะแต่เหมือนกับว่าตอนนี้คนก็มีความรู้เยอะเพราะว่านี่เป็นพุทธวัชนะใช่ไหมคะเกิดดับนี่คะท่านคะอันนี้เป็นถ้าเป็นพุทธวจนะพพุทธเจ้าจะใช้คาว่าสลัดคืนสลัดคืนคโวศกะคืออันนี้เป็นคําว่าเกิดดับเนี่ยนะเป็นคําของอัตมาคือจังหวะเดียวคือจะมาเอามาอาธิบายเพื่อให้เข้าใจคําว่าโวศกะที่พุทธเจ้าบอกว่ า, าคุณมีสมาธิใช่ไหยอาศัยความวิเวกความจางคลายความดับและน้อมไปเพื่อโวศกะเนี่ย อย่างอคติวิเวกเนี่ยคือจิตเราต้องวิเวกก่อนเราถึงจะเห็นว่ามันจางคลายแล้วจึงเห็นว่ามันดับไปเราเห็นจางคลายบ่อยบเห็นดับไปบ่อยบเห็นมันจางคลายบ่อยบเห็นมันดับไปบ่อยๆจิตเราจะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดคลายกำหนัดก็ปล่อยวางมันจะไปก้าวลงในอารมณ์ที่เป็นสมาธิโอ้ยไม่เอาละปล่อยวางภูมินั่นแหละโสดสสะสลัดคืนเกิดดับจังหวะเดียวอืมค่ะนี่มันไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าต้องทําบ่อยๆถึงจะเห็นได้อ ค่ะทีนี้ก็น่าจะทําให้คือที่ฉันเข้าใจว่าคนเราเวลามันสงสัยและหาคําตอบไม่ได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการที่จะเดินต่อไปนะคะเพราะมัวสงสัยอยู่นั่นแหละเออเรามันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอเล่ววาโกนละมาไกลแล้วนาะห ม, มานานใช่ไหมว่ามานานทีนี้ว่าเรื่องของความสงสัยกับคําถามนี่จะไม่เหมือนกันไงถ้าความสงสัยชนิดที่เป็นวิจิกิจฉาจะทําให้จิตของเราออกจากสมาธิแต่ถ้าในบางทีเรามีคําถามในการปฏิบัติมันก็ถามได้ มันก็เขียนมาถามได้ในรายการก็ได้ค่ะทีนี้ก่อนจะไปเรื่องพวกนี้ต่อท่านเข้าใจว่าเดี๋ยวว่ากันเรื่องเกิดดับอีกสักนิดหนึง่งให้ท่านคิดว่าหน้าที่จะให้ความรู้อะไรกับผู้ที่ยังสงสัยเรื่องเกิดดับ<ก>จากคําถามที่ท่านประสบพบมาอืมต้องให้ให้เหตุที่ถูกต้องนะคนจะเข้าใจผิดว่าฉันเห็นเกิดดับตลอดเวลาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณสร้างเหตุถูกต้องไหมก่อนนะเหตุที่ถูกต้องพระพุทธเาพูดถึงจิตวิเวก จิตไม่มีการพยิบาติเปรียบเบียบอันนี้นที่1อันที่สองคุณต้องเห็นความจางคลายเห็นความดับไปเห็นความจางคลายเห็นความดับไปคือเราจะเห็นความจางคลายเห็นความดับไปได้จิตคุณต้องวิเวกใช่ไหมเห็นความจางคลายเห็นความดับไปบ่อยๆ บ, บ่อยมากเลยจิตเราจะเบื่อหน่ายใครายกำหนัดเห็นเกิดดับได้คแค่นั้นเองนะค ะ, นะคะวันนี้ก็นมาส ก, การขอบพระคุณท่านพายบุญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะด้าท่านที่สนใจอยากจะ ได้ศึกษาพุทธวจนะในลักษณะของการอ่านท่านก็โทรมาที่022690006นะคะทิ้งคำถามไว้ก็ได้แบบคุณเพลินตาวันนี้ค่ะหรือว่าจะส่งไปที่เพียวธรรมะ .com/106 นะคะเพียวที่แปลว่าบริสุทธิ์ธรรมะก็ dhamma.com/106 ค, คือหมายเลขของสถานีวันนี้ เราก็คงจะลาท่านไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะติดตามรับฟังรายการสัมสนีสนทนาโดยสัมส น, นาพงศกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะพุทวา์สวัสดีค่ะ